ทำไมจึงได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนกำลังเคลิมหลับความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเองหลวงปู่มั่นคุยกับพระพุทธเจ้าคุยกับพระอารหันต์พระพุทธเจ้าพระอารหันต์ก็ไม่ได้มาคุยกับหลวงปู่มั่นแต่มันเป็นจิตรู้ของหลวงปู่มั่นปรุงขึ้นมาเองท่านคุยเฉพาะในจิตท่าน